มีความจริงที่แตกต่างกันอันเป็นข้อสำคัญอย่างหนึ่งระหว่างสังคมกับธรรมชาติซึ่งมนุษย์ควรจะเข้าใจโดยฝึกอบรมให้เรียนรู้ตั้งแต่ยังเด็กกล่าวคือธรรมชาติเป็นไปตามธรรมนิยามแต่สังคมมนุษย์เป็นไปตามกรรมนิยามด้วยในที่นี้พูดอย่างกว้า ง, างโดยว่าตามหลักใหญ่ที่เกี่ยวข้องในกรณีนี้ ความจริงมีอุตนิยามผีชานิยามและจิตตะนิยามด้วยแต่ไม่เกี่ยวข้องในกรณีที่กำลังจะพูดถึงแง่ที่เด็กควรเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องนี้ก็คือเด็กควรได้รับการปฏิบัติด้วยเมตตาแต่การแสดงเมตตานั้นนอกจากจะเป็นการแสดงความรักความปรารถนาดีเพื่อประโยชน์ทางจิตใจของเด็กโดยตรงเช่นความอบอุ่นใจเฉพาะหน้า และความมีสุขภาพจิตที่ดีในระยะยาวแล้วควรมีเป้าหมายทางปัญญาด้วยคือให้นำไปสู่ความเข้าใจทราบซึ้งในความมีเจตนาดีงามความมีน้ำใจหรือความตั้งใจดีต่อกันระหว่างมนุษย์ความเข้าใจทราบซึ้งเช่นนี้เกิดขึ้นได้ด้วยการเปรียบเทียบระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติถ้าหากผู้ใหญ่รู้จักปฏิบัติในเรื่องนี้อย่างฉลาด เด็กจะเกิดความรู้ความเข้าใจว่ามนุษย์นี้แตกต่างจากธรรมชาติมนุษย์มีจิตใจมนุษย์มีเจตนามีความจงใจตั้งใจที่จะจัดการหันเหการกระทําของตนได้และจงใจทําต่อกันในทางร้ายก็ได้ในทางดีก็ได้แม่เลี้ยงลูกมีใจทําตามสัญชตาตญาณของธรรมชาติเท่านั้นแต่แม่มีความรักความหวังดี มีการเลือกตัดสินใจด้วยเมตตาที่เป็นคุณธรรมของมนุษย์ด้วยถ้ามนุษย์มีเจตนาดีทําต่อการด้วยความปรารถนาดีก็จะทำให้เกิดความสุขและเป็นประโยชน์อย่างมากต่างจากธรรมชาติที่เป็นกลางๆไม่มีจิตใจไม่มีความคิดร้ายหรือคิดดีความเป็นไปของธรรมชาตินั้นบางคราวก็อ่อนโยนละมุนละไมาอานวยปราโยชนว ทำให้มนุษย์พอใจและมีความสุขบางราวก็ร้ายรุนแรงเป็นโทษก่อความทุกข์แก่มนุษย์แต่จะเป็นไปทางใดก็ตามธรรมชาติก็ไม่มีเจตนาธรรมชาติไม่ได้คิดกลั่นแกล้งมนุษย์แต่ธรรมชาติเป็นไปตามเหตุปัจจัยของมันและถึงอย่างไรธรรมชาติก็เป็นที่พึ่งพาอาศัยของมนุษย์เราจึงควรรักธรรมชาติ และปฏิบัติต่อธรรมชาติด้วยความรู้ความเข้าใจตามเหตุตามปัจจัยอนหนึ่งชีวิตของมนุษย์นั้นตามสภาวะของธรรมดาก็มีทุกข์ซึ่งถูกธรรมชาติที่ไม่มีเจตนาคอยบีบคั้นมากอยู่แล้วมนุษย์เราซึ่งมีเจตนาหันเหการกระทาของตนได้จึงไม่ควรเบียดเบียนเพิ่มทุกข์แก่กันและกันอีก เราควรใช้เจตนานั้นในทางช่วยเหลือเกื้อกูลกันผ่อนเบาบรรเทาทุกข์กันมีเมตตากรุณาประทาต่อกันด้วยความรักความปรารถนาดีมีความตั้งใจดีต่อกันอย่างไรก็ตามการแสดงความรักความปรารถนาดีต่อเด็กนั้นจะต้องระวังไม่ให้ก้าวเลยจากเมตตากลายไปเป็นการพนอตันหาของเด็ก และถ้ากลายเป็นการพนอตันหาเสียแล้วเด็กก็จะไม่เกิดความซาบซึ้งในคุณค่าแห่งเจตนาที่ดีของมนุษย์คือไม่เกิดความตระหนักว่าการกระทํานั้นเป็นไปด้วยเมตตาด้วยความปรารถนาดีต่อกันโดยมนุษย์จงใจทาและก็จะไม่เกิดความเข้าใจถึงความเป็นกลางของธรรมชาติถ้าเป็นเช่นนี้นอกจากจะเสียผลในด้านการปลูกฝังเมตตาธรรม และความรู้จักรับผิดชอบต่อตอนเองแล้วยังทำให้เด็กเสื่อมเสียคุณภาพจิตเพราะเลี้ยงอกุศลธรรมต่างๆเช่นความเห็นแก่ตัวความเอาแต่ใจตัวความอ่อนแอความโลภและความอิจฉาริษยาเป็นต้นให้เพิ่มขึ้นด้วยวิธีที่จะป้องกันไม่ให้เลยไปเป็นการพนอตัญหาก็คือการให้เด็กรู้ขอบเขตระหว่างการที่มนุษย์ จะกระทาต่อการด้วยความรักความปรารถนาดีได้กับการที่จะต้องเป็นไปตามเหตุผลของธรรมชาติพูดอีกอย่างหนึ่งว่าพึงระวังไม่ให้มีการแสดงเมตตายอย่างผิดผิดที่กลายเป็นการขัดขวางหรือทำลายความรู้เท่าทันความเป็นจริงแห่งธรรมดาในทางปฏิบัติก็คือจะต้องใช้พรหมวิหารให้ครบทั้งสี่ข้อ คือนอกจากมีความรักความปรารถนาดีด้วยเมตตาเป็นหลักยืนพื้นอยู่แล้วก็มีกรุณาสงสารช่วยเหลือเมื่อเด็กได้รับทุกข์มีมุติตาแสดงความยอมรับหรือชื่นชมยินดีเมื่อเด็กได้ความสุขหรือทําการสําเร็จโดยชอบธรำหรือโดยเหตุโดยผลและมีอุเบขารู้จักวางทีเฉยเฝ้าดูหรือวางใจเป็นกลางเมื่อเด็กทําการตามแนวเหตุผล กำลังรับผิดชอบตนเองได้อยู่หรือเมื่อมีเหตุผลที่เด็กควรได้รับผิดชอบต่อผลแห่งการกระทาของตนโดยเฉพาะข้อสุดท้ายคืออุเบกขานี่แหละเป็นองค์ธรรมจำเพาะสำหรับป้องกันไม่ให้เมตตากลายเป็นเครื่องปิดกั้นบทบังปัญญาทรามกลางธรรมชาติที่เกื้อกูลบ้างไม่เกื้อกูลบ้างนั้น ชีวิตมนุษย์ไม่มีความมั่นคงมนุษย์ต้องดิ้นรนต่อสู้เพื่อความอยู่รอดสแสวงหาเครื่องหล่อเลี้ยงชีวิตหลีกหนีและกำจัดสิ่งที่เป็นปฏิปักษ์เมื่อไม่รู้สภาวะที่แท้จริงของธรรมชาติก็ยึดมั่นต่อสิ่งที่ตนไฟเพื่อสนองความอยากทุ่มเทคุณค่าให้แก่สิ่งเหล่านั้นมองเห็นโลกเป็นแดนที่จะทยานหาสิ่งเสรเป็นที่ให้ความสุขและทุกสิ่งที่ปรารถนา มองเห็นตนในฐานเป็นผู้ครอบครองเสพสวยโลกมองเห็นผู้อื่นเป็นตัวขัดขวางหรือผู้แย่งชิงทำให้เกิดความหวงแหนความชิงชังความเกลียดกลัวความเย็ดย้มดูถูกการแข่งขันแย่งชิงการเบียดเบียนและการครอบงากันระหว่างมนุษย์ยิ่งกว่านั้นเมื่อการไม่เป็นไปสมปรารถนาหรือเกิดความเปลี่ยนแปลงขึ้นภายหลัง ก็เกิดความทุกข์อย่างรุนแรงรั้นมีกัลยาณมิตรช่วยชักจูงฝึกให้เห็นคุณค่าของเมตตาธรรมท่าทีต่อเพื่อนมนุษย์และต่อธรรมชาติก็ดีขึ้นแต่นั่นก็ยังเป็นเพียงสัมมาทิฏฐิระดับโลกีถ้าจะให้ลึกซึ้งและมั่นคงแน่นแฟนแท้จริงก็ต้องฝึกให้เกิดสัมมาทิฏฐิแนวโลกุตระด้วย โดยให้เข้าใจสภาวะที่แท้จริงของโลกและชีวิตว่าล้วนเป็นไปตามธรรมดาแห่งเหตุปัจจัยโลกธรรมทั้งหลายไม่เที่ยงแท้ถาวรไม่มีแก่นสารที่เป็นของมันเองและที่จะให้ดำรงอยู่ได้โดยตัวของมันเองไม่อาจจะเข้าไปครอบครองเอาไว้ได้จริงและไม่สามารถให้ความหมายแท้จริงแก่ชีวิตแม้ถึงชีวิตของเราเอง ก็มีใช่มีตัวตนที่จะเข้าไปครอบครองอะไรเอาไว้ได้จริงจังชีวิตเราชีวิตเขาก็เป็นไปตามกฎธรรมดาอย่างเดียวกันมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายเป็นเพื่อนร่วมเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งสิน้นต่างก็รักสุขเกลียดทุกข์เหมือนกันและชีวิตทั้งหลายที่เป็นอยู่ได้ก็ต้องสัมพันธ์พึ่งอาศัยกันด้วยความรู้ความเข้าใจถึงสภาวะเช่นนี้ จะต้องมีเป็นพื้นฐานไว้บ้างแม้แต่ในเด็กๆ เ, เพื่อให้รู้จักวางใจวางท่าทีต่อโลกต่อชีวิตและต่อเพื่อนมนุษย์ได้ถูกต้องทำให้จัดระบบการตีค่าความคิดใหม่โดยเปลี่ยนจากใช้ตัณหาหันมาใช้ปัญญาเป็นเครื่องวัดค่ารู้ว่าอะไรเป็นคุณค่าแท้จริงสำหรับชีวิตที่ควรแก่ชันท่ารู้จักทาจิตใจให้เป็นอิสระเบิกบาน ผ่อนคลายหายทุกข์ได้แยบคลายขึ้นและเป็นวิธีบรรเทาความโลภโกรธหลงลดการแย่งชิงเบียดเบียนและลดปัญหาทางศิลธรรมชนิดที่มีฐานมั่นคงอยู่ภายในเมื <imet apostle S 1> <mandar> ่อสามาราทิฏิเกิดขึ้นแล้ว <S 1> <S 1> ก็จะเจริญสู่จุดหมายด้วยการอุดหนุนขององค์ประกอบต่างๆดังที่ตรัสว่าภิกษุทั้งหลาย สัมาธิทิอันองค์ประกอบห้าอย่างช่วยหนุนคืออนุเคราะห์ย่อมมีเจโตวิมุตติและปัญญาวิมุตติเป็นพลานิสงองค์ประกอบห้าอย่างนั้นคือหนึ่งศีลความประพฤติดีงามเกื้อกูลพฤติกรรมสุจริตตั้งอยู่ในวินัยไม่เบียดเบียน 2. สุตตะ ความรู้จักการสะดับเล่าเรียนอ่านตำราการแนะนำสั่งสอนเพิ่มเติม 3. สากัะฉาการสนทนาถกเถียงอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นสอบค้นความรู้ 4. สมถะความสงบการทำใจให้สงบการไม่มีความฟุ้งซ่านวุ่นวายใจ หวิปัสสนาการใช้ปัญญาพิจารณาเห็นสิ่งต่างๆตามสภาวะของมันคือตามเป็นจริงแปลรวมความจากอังกุตรนิกายปัญจกาศนิบาศพึงเสริมด้วยพุทธพจน์ว่าการฟังด้วยดีการสอบถามค้นคว้าเป็นอาหารของปัญญา โดยสรุปสัมมาทิฏฐิก็คือความเห็นที่ตรงตามสภาวะคือเห็นตามที่สิ่งทั้งหลายเป็นจริงการที่สัมมาทิฏฐิจะเจริญขึ้นย่อมต้องอาศัยโยนิโสมนสิการเรื่อยไปเพราะโยนิโสมนสิการช่วยให้ไม่มองสิ่งต่างๆอย่างผิวเผินหรือมองเห็นเฉพาะผลรวมที่ปรากฏแต่ช่วยให้มองแบบสืบค้นแยกแยะ ทั้งในแง่การวิเคราะห์ส่วนประกอบที่มาประชุมกันเข้าและในแง่การสืบทอดแห่งเหตุปัจจัยทำให้มีถูกลวงไม่ถูกปั่นถูกเชิดไม่ถูกจูงใจหรือยัอยุได้ด้วยปรากฏการณ์ทางรูปเสียงกลิ่นรสผดทัพะและคตินิยมต่างๆจนเกิดเป็นปัญหาทั้งแก่ตนและผู้อื่นแต่ทำให้มีสติสัมปชัญญะเป็นอิสระเป็นตัวของตัวเอง คิดตัดสินและกระทำการต่างๆด้วยปัญญา